กลุ่มนี้ แ, แปลกี่ใส่เสื้อขาวๆเยอะที่นี่เสื้อหลักสี <c ười> เคยมีกันมาที่การมาเยี่ยมที่นี่มาเสนอว่าคนมาวัดเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ใส่ชุดขาวต้องแต่งขาวนี่ยเข้าวัดได้ชุดอื่นไม่เหมาะ หลวงพ่อก็บอกเขาว่าหลวงพ่อไม่อยากไปบังคับนะเขามาวัดก็บุญเท่าไหร่แล้วต้องแต่งอย่างโน้นตอแต่งอย่างนี้นะที่จริงชุดขาวก็ไม่ใช่ชุดเข้าวัดของคนพุทธเท่าไหร่หรอกของพวกชีนะพวกเชนพวกนั้นมีสองกลุ่มนะพวกชีปเปลื่อยกับชีประเขาของเราแต่งตัวมายัางไรก็เข้าวัดได้ ในสมัยพุทธกาลมีพุทธประวัติมีอะไรพวกนี้พวกพระเจ้าแผ่นดินนะนางวิสาขาอนะไรเงี้ยไปงานเลี้ยงมาคงไม่ได้แต่งชุดขาวไปงานเลี้ยงหรอกพจะเข้าวัดก็แค่ถอดเฟอร์นิเจอร์ออกถอดเครื่องประดับก็แค่นั้นเองนางวิสาขาถอดเครื่องประดับออกลืมทิ้งไว้ที่วัดพระนอนไปเก็บมารอเจ้าของ เอาของมานางวิสาขามาก็ไม่เอาคืนบอกพระจับแนละ้วยกถวายนี่พระเจ้าบอกมันไม่ได้เหมาะกับพระนะตุ้มหูเนี้ยนะพระจะมาทําอะไร <c oughs> นางวิสาขาก็เลยเอาเปรกประมูลประกาศขายะจะเอาเงินมาสร้างวัดนี่มาสร้างวัดเบลุวันะ ตั้งราคาแพงมากเครื่องประดับชุดนี้ไม่มีใครซื้อตัวลงใจเลยซื้อเองให้ได้สร้างวัดวัดหนึ่งือพวกพระเจ้าแผ่นดินนะีไปทำธุระอะไรมาแวะเข้ามาหาพรุทธเจ้าก็ แ, แค่ถอดเครื่องทรงถอดเครื่องประดับเสื้อผ้าก็อย่างที่ใส่มานั่นแหละงั้นใครแต่งตัวยังไงก็ไม่ว่าอะไรหรอก มันไม่ใช่ว่าจะพูดต้องแต่งขาวข้างนอกขาวข้างในดำไม่ได้เรื่องของเราข้างในเอาให้สว่างสว่างไว้จะมีสติไว้ใจก็จะสว่างขึ้นมามีสมาธินะี่ย่งสว่างมากขึ้นไปอีกถ้ามีปัญญาเนี่ยสว่างที่สุดเระพุทชาจ้าถึงบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทำไมปัญญาสว่างที่สุดมันไม่ใช่ค่าคาเปรียบเทียบ เมื่อก่อนหลวก็นึกว่าเป็นคําเปรียบเทียบโมหะกิเลสอวิชชาอะไรเป็นความมืดมัวที่จริอวิชชาไม่มืดแบบอวิชชาสว่างมากนะสว่างอีกแบบนะึงสว่างใสติ้งเลยทีแรกก็นึกว่ากิเลสมันต้องมืดๆงั้นมีปัญญาขึา้นมาต้องสว่างเป็นคําเปรียบเทียบที่จริงไม่ใช่เปรียบเทียบหรอกเวลาที่ปัญญาเกิดแสงสว่างมันเกิดขึ้นอย่างตอนท่านโคนทัญญะ มรู้โสดาบันจากคุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นยานอุทธปาธิยานอย่างรู้เกิดขึ้นรู้ความเป็นไตรลักษณ์ปัญญาอุทธปาธิปัญญาก็รู้แจ้งจริจริงปัญญารู้ไตรลักษณ์ยานนยอย่างรู้ตัวสภาวะมันนะว่าเห็นสภาวะมาแล้วไปมาแล้วไปเกิดเข้าใจให้มันเป็นตัวปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์ วิชาอุทาปาทีนี่เข้าใจอริยสัจเข้าใจไปลำดับไปตัวสุดท้ายอาโลโกอุทาปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างจริงๆไม่ใช่คำเปรียบเทียบหรอกอยันเวลาที่อริยมรรคเกิดนบางครั้งโลกธาตุ ด, ดับพระทิตยจรจันทร์ดับหมดเลยเหลือแต่แสงสว่างของปัญญาสว่างสวยขึ้นมาจิตก็ไม่เป็นดวงนะในขณะนั้น จิตที่เป็นโลกรุตระไม่มีเป็นดวงดวงแต่ว่าเรียกโดยโดยภาษาเขาเรียกว่าเป็นดวงดวงเนีย่ยเวลาแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเรานะั้นก็ไล่ความมืดความโง่ออกไปเวลาเรามีโมหะเนี่ใจก็มืดบอดไม่ได้เรื่องได้เราโมหะมีหลายระดับนะโมหะชั้นต่ำเนะี่ยมืดมากเลย มืดมัวจิตมืดจิตมัวจิตหนาหนาเหมือนมีเปลือกหนาๆนาหุ้มจิตเหนียวเหนียวเยิ้มเยิมหนักๆนักสกปรกเรียกว่าปุถุชนหนาหนักเป็นปุถุชนนี่พภาวนากันนะมันก็เอาแสงสว่างเอาความสะอา้ศีนสมาธิปัญญาเข้าไปไล่ ค่อยๆฟอกจิตให้ใสใสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่เราไม่ได้ฝึกเอาความสว่างความสว่างเป็นแค่ผลพลอยได้เราฝึกให้เห็นความจริงของรูปนามอย่าทิ้งหลักตรงนี้นะบางคนภาวนาแล้วไปเน้นที่แสงแสงสว่างมากก็ว่าภาวนาดีอย่างนั้นพวกฤๅษีชีพลสว่างมากเลยพวกพรหมพวกอะไรนี้สว่างครอบโลกเลยก็ไม่เห็นจะดีเท่าไหร่นะพระโสดา แสงยังไม่เท่าพวกนั้นก็มีนะไม่ได้ทรงฌานมันสว่างอยู่ข้างในมนล้างกิเลสของตัวเองไม่ได้พาวนาวความสว่างไม่ได้พาวนาเอดีไม่ได้พาวนาวสุขไม่ได้พาวพาเสงบความสว่างความสุขความสงบความดีเป็นผลพลอยได้สิ่งที่เราต้องการพาวนานะั้นคือพอาวนาให้เห็นความจริงรูปนามภาวนาเสัจจะเอาความจริง สัจจะเป็นของคงที่ส่วนความดีความสุขความสงบความสว่างเป็นของไม่คงที่แต่สัจจะเป็นของคงที่ความจริงคงที่อย่างพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระ อ, องค์อองตรัสรู้นะสอนอริยสัจมันก็อริยสัจเรื่องเดิมนะทำม้า ม, ามคงที่อยู่ท่านสอนไตรลักษณ์เนี่ยไตรลักษณ์เป็นเรื่องคงทีนะ่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ แต่กฎที่ว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของเที่ยงนะงั้นไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เรียกว่าสังขารออกไม่เที่ยงแต่ธรรมะนั้นมันคงที่อยูนะ่หลักธรรมแท้คงที่อยู่จีพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเดิมนี้แหละนี่บางคนนี่ขี้เกียจขี้คล้านไม่อยากภาวนานะกล่าวว่าทําบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเจอพระสียารยะเมตไตร จะบรรู้ได้ง่ายๆนิสัยเสียขี้เกียจขี้คลานเจอพระเมตไตรก็ไม่เอาอีกแล้วเพราะท่านภาวนาพาภาวนานะก็ไม่ทําหวังว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่นั่งนั่งนอนนอนก็บรรลุธรรมไม่มีอย่างนั้นไม่มีหรอกมีแต่ต้องต้องปฏิบัติเอาเองธรรมะเป็นของเที่ยงนะธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีเจ้าของพระพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดเอาธรรมะไปด้วย อันนี้่าเป็นของสากลไม่ไม่มีเจ้าของธรรมะก็ไม่มีเจ้าของใครมาค้นพบพระองค์แรกในยุคนั้นก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะเอามาสอนถ้าคนพบแล้วไม่ได้สอนก็เป็นพระปัจเจ ก, กพุท ธ, ธะพระปัจเจกพวกเราบางทีก็ดูถูกนะหลังๆก็เริ่มเพี้ยนว่าพระปัจเจกเนีไหวแล้วมีโชคมีลาบเก็โชคลาหมดเลย ไหว้พระปัจเจกก็หวังว่าจะมีโชคลาภพระปัจเจกนะท่านบา ร, รมีสูงสูงกว่าพระสารีบุตรเองท่านเก่งมีคุณงามความดีทุกอย่างแหละถ้าไม่ได้ตัวบรรดานโชคลาภหรอกนะหรือไปไหว้พระศรีบาลีมีโชคลาภพระศรีบาลีเป็นเอตสักคะทางมีโชคลาภมันคยขยายนะไหว้พระสังกัจจัยนะพระมหากัจจยนะมีปัญญามากไม่ใช่มีโชคลาภมาก หลังๆนี้ก็ขยายไปไหว้พระอุปคุตจะมีโชคลาภพระอุปคุตเก่งในทางสู้กุมารไม่ใช่เก่งในทางโชคลาภเอาก็อยากจะได้โชคลาภนะขยายไปเรื่อยๆนะเพิร์ชเจอร์นะอยากได้โชคลาภก็ขยันทำมาหากินสืบดำรงชีวิตให้ดีสิพบคนให้ดีนดารงชีวิตพอดีพอดีไม่เกินตัวในทุกอย่างมีเหตุผลนะหลักของธรร ม, มานี่มีเหตุมีผลทั้งหมดเลยอย่ามามโมเม พวกเราคงไม่ค่อยโมเมิตรเท่าไหร่นะอย่างงมงายบางทีงม ง, งายมากชาวพุทธเรารุ่นหลังๆนังม ง, ง, งายคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าพระคิดว่าเทพมาดนบันดาลอะไรให้เราสิ่งที่โดนบันดาลให้เรามีอย่างเดียวคือกรรมเท่านั้นแหล ะ, ะเวลาเรามีกรรมชั่วพระท่านก็ได้แต่วางอุเบกขาท่านจะไปทําอะไรได้ลน่ะ พระพุทธเจ้าเองเวลาที่อากุศลให้ผลนะท่านยังต้องรับเลยอย่างทําไมท่านต้องอดน้ํามีอยู่วันหนึ่งต้องอดน้ําอายุตั้งแปดสิบนั้นเดินทางไกลกระหายน้ําเรียกฟ้านนไปตักให้พระนนบอกน้ําแม่น้ำนี่ขุนอย่าไปเอาเลยเดีย๋ยวเดินต่อไปอีกแม่น้ําหนึ่งดีกว่าอย่างี้เนี่ยท่านต้องอดน้ําต้องบอกให้ตักตั้งสามรอบนะถึงอยอมไปตัก พ, อ, พอลงมือตักน้ําก็ใสเลย ทำไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดนี่ก็อากุศลให้ผลท่านมาอากุศลมีบากเคยเป็นหมอวางยาคนเ น, นี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะท่านอย่าอธิบายให้ว่าท่านก็รับกรรมพวกเราก็าจะคิดแต่จะแก้กรรมไม่ยอมรับมีหนี้แล้วไม่ยอมใช้มีหนี้ก็ต้องใช้ แต่ว่าเวลาอากุศลให้ผลแล้วนะภาวนาเข้าสร้างความดีให้เหนือกว่าวิธีแก้กรรมของชาวพุทธนะไม่ใช่ไปแก้ตัวกรรมกรรมมันทำไปแล้วแก้ไม่ได้วิบากเป็นผลของกรรมก็แก้ไม่ได้อย่างซุ่มซ้ำมีความซุ่มซ้ำเป็นกิเลสเดินเอาหัวโขกเสาเป็นการกระทำกรรมหัวแตกเป็นวิบากยามานั่งท่องคาถาให้หายหัวแตกไม่ได้กินออกอมันคนละเรื่องกันนะอย่างงมงายนะ หลังๆนี้ชาวพุทธนี่งมงายมากเลยทำอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเนยเยอะมากนะอย่างไปนอนในลงศพหรือไปมุดโบสไปมุดโน้นมุดนี่ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธทั้งสิ้นเลยชาวพุทธเรามีศีลสมาธิปัญญามีทานอีกตัวหนึ่งเป็คฤหัสมีทานศีลสมาธิปัญญาก็สร้างความดี พอกระแสของความดีเข้มข้นขึ้นมันจะไปเจือจางอิทธิพลของบิบากที่ไม่ดนะีมันแก้ไขด้วยการเจือจางไม่ใช่แก้ไขด้วยการลบล้างอย่างเรามีน้ำอยู่มีตุ่มน้ำนะมีน้ำาสกปรกอยู่ก้นตุ่มนยูหน่อยนึ่งน้ำตุ่มนี้ถือว่าสกปรกเราน้าสะอาดใส่ลงไปเยอะๆนะใส่ลงไปเรื่อยๆในที่สุดน้ําสโครกนะั้นไม่มีนัยยะ มองลงไปนะน้ำตุ่มนีส้สะอาดนะใช้ได้กลอามาล้างถ้วยล้างชามกลอามาซักผ้านะเวลาล้างกำชั่วล้างวิบากของกำชั่วยนะล้างด้วยการสร้างความดีให้ความดีมีที่พลเหนือกว่ามากๆที่ผลของกำชั่วก็ลดลงเนี่ยวิธีล้างกรรมนะยังงมงายนะหน้าตาบางคนงมงายมากไปทนะุกวันนี้นับถือสิ่งต่างๆมากมาย ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่นับถือคำสอนของท่านส่วนพระสาวกนะไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระสงค์ก็เลือกเอาในพระไตรปิฎกนะองค์ไหนเป็นก็เอาองค์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีพระศีติสาวกทั้งหลายอะไรนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ศ, ดศึกษาแล้วก็เอาอย่างท่านเอาอย่างส่วนที่ดีของท่านนะก่อนท่านจะดีท่านก็ร้ายมาเหมือนกันบางองค์ก็เลือกเลือกเอา ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะอย่างนัโง่ ง, งมงายคนโง่ ง, งมงายภาวนาไม่ขึ้นหรอกเวลาปฏิบัติเขาเรียกมีศีลทัฒนาประมาทถือศีลบําเพ็ญโปรตแบบงมงาย ร, รูปรูปคลำคลไม่เข้าเป้ายังตั้งอกตั้งใจเรียนเรารู้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้นะแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยจิตใจเคยมืดบอดดำดำ ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะสใสนี่ถ้าใสามีหลายแบบสายยังเป็นดวงอยู่นะสว่างเป็นมีขอบมีเขียนมีจุดมีดวงสายรถเที่ยงคงสว่างอยู่งนะั้นเหมือนเที่ยงเลยนะนี่เป็นภูมิจิตของระดับปลุมนะถ้ามีปัญญาประกอบด้วยเป็นพผ้านาคามีอย่างพระธาจิตผ้านาคามีนะผิวบทนี่นิ่งเงียบสงัดละ ไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเพกกราะกล่และปฏิคะแต่ภายในนะ่ยังเคลื่อนอยู่ภายในยังไหวกระชอกข้างในนี่นเหมือนอยู่ใต้น้ำกระชอกอยู่มีเระองหนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนน้านิ่งแต่ข้างล่างยังมีปลาว่ายอยู่เนะี่ยยังมีการกระทาอยู่ภายในนะพอนาะปัญญาถึงสี่สุดนะปัญญาถึงที่สุดเนี่ยคือปัญญาเห็นไตรลักษณ์ ของขันนั่นแหละว่ารูปนามนี้คือตัวทุกเนี่คือปัญญาสูงสุดโดยเฉพาะการเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมานั้นท่านบอกสุดท้ายมันแตกหักกันตรงที่จิตเห็นจิตนี่คือตัวทุกนั่นแหละพอเห็นจิตเป็นตัวทุกแล้วจิตมันก็วางจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วมันแปลสภาพไปกลายเป็นธาตุอันหนึ่งนะเป็นธาตุรู้ ธาตุรู้เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าสภาวะมันก็อันเดียวกันเป็นธาตุรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีทิศตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ต้องระวังรักษาไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่ปรุงแต่งตัวเองก็ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งตัวเองได้อย่างสมเด็จพระยาสังวรท่านเรียกธาตุรู้ตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุ ท่านเรียกวิญญาณธาตุท่านบอกภาวนาถึงขีดสุดตัวจิตผู้รูมแปลสภาพเป็นวิญญาณธาตุฟังท่านพูดก็รู้แล้วว่าภูมิจิตภูมิทําขนาดไหนนะหลวงปูด่ดุลท่านเรียกตัวนี้ว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่บุรดาท่านเรียกใจเดียวแต่ละองค์ก็เรียกต่า ง, างกันไปท่านว้หลังเรียกจิตเดิมแท้ กาหลวงปก็เรีจิตหนึ่งเป็น <Yeah. S 1> หนึ่งเนี่ยสถาวะนะคนไทยคนจีนในภาวนาก็เข้าใจแจ่มแจ้งเราเข้ามาที่เดียวกันเองก็รู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปน็นอันเดียวกันเพราะจิตหนึ่งนั้นแหละเป็นพระสงฆ์เต็มภูมิแล้วจิตหนึ่งนั้นแหละทรงธรรมเต็มภูมิแล้วจิตหนึ่งนั่นแหละเสมอกับจิตพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธินะ์ภาวนานได้ไว่า จิตหนึ่งเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทนธะิ์นะจิตหนึ่งกับพระพุทธเจ้าก็วารวมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาพระพูทพระธรรมประสงค์รวมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาในขนาดเดียวกันนั่นแหละค่อยๆภาวนานะค่อยําไปค่อยฝนะึกไปรูล้ลงไปรูล้ลงไปไม่มีอะไรหรอกง่ายๆแต่ก่อนจะง่ายยากก่อนยากตรงที่จะไม่ได้ทําอะไระแค่รู้เนี่ยแค่เห็นนะ ก็จิตเราเคยชินที่จะทําถ้าไม่ทําชั่วก็ทําดีไม่ทําชั่วทําดีก็ทําว่างๆดังนั้นบางคนก็ทําชั่วบางคนก็ทําดีบางคนก็เห็นชั่วก็ไม่ดีดีก็ไม่ดีพอนะทําว่างๆปรุงชั่วเรียก ว, ว่าอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกปุญญาพิสังขารปรุงว่างๆเรียกอาเนญชาพิสังขารพินะสังขารทั้งสามมาจากกัวิชาด้วยกันทั้งหมดเลย ไม่ให้ปรุงแต่ว่าให้รู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นนะให้เห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเราอย่าไปปรุงมันซะเองงั้นจิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วกว็รู้ไม่ต้องดีก็ได้ไม่ต้องสุข ก, ก็ไดนะ้มีสุขเกิดขึ้นให้รู้มีทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ดีเกิดขึ้นให้รู้ชั่วเกิดขึ้นให้รู้ก็แค่รู้แค่เห็นเท่านั้นเองแค่รู้แค่เห็นเราจะเห็นอะไรก็เห็นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ย จิตที่เป็นคนรู้นี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้โลภผู้โกรธผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้สุขเดี๋ยวก็เป็นผู้ทุกข์แ <ๆ S 1> ปลปรวนไปเร<ๆ>ื่อยๆไม่ต้องดัดจริตทําจิตให้นิ่งอย่าทํารู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นยากตรงนี้แหล ะ, ย า, หละยากตรงที่จะรู้อย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่ถ้ารู้เป็นแล้วนะง่ายเพาไม่ได้ทําอะไรเลยรู้อย่างเดียวเลยแต่ก่อนจะรู้อย่างเดียวนะโอ้ยสู้กันแทบตาย พราะจิตมันเคยชินที่จะทําคนไม่ได้ฝึกมันก็เคยชินทําชั่วคนอยากจะดีก็เคยชินจะทําดนะีวันไหนไม่ได้ใส่บาตรนะกลุ้มใจแทบตายเลยหนะของพ่อเคยเจอนะมีต้องใส่บาตรทุกวันนะใส่หน้าบ้านนะใส่ทุกวันทุกวันวันไหนพระไม่มานะโมโหโมโหอะไรโมโหพระเนี <c oughs> ่ย ทำให้ฉันไม่ได้บุญเนี่ยพวกติดดีกติดดีไม่ได้ทำดีเรากลุ้มใจหลวงปูอดล์สอนนะว่ามีโอกาสทำดีก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปอยู่เฉยๆดีกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันส่วนรายละเอียดเรื่องการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะไปฟังซีดีเอา ซีดีหลงพอ่ออัศจรรย์นะคนฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะเป็นลำดับลำดับขึ้นมาเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะวันข้างหน้าพวกเราแม่งเงียบเหงาขนาดนี้หรอกทุกวันนี้พวกเราก็เยอะขึ้นเยอะแล้วสมัยก่อนเมื่อ30สปีก่อนนะแค่คนรู้สึกตัวเป็นเนี่ยแทบไม่มีนะครูบาอาจารย์มีเยอะนะแต่คนที่พอวนาเป็นมีน้อยส่วนใหญ่ไ่ติดสมาธินิ่งๆกันหมดหรือสมาธิเหลวไหล เห็นโน่นเห็นหนี่นะถอดจิตไปเฝ้าพรพุทธเจ้าถอดจิตไปเที่ยวนรกสวรรค์นีจิตหลอนเอาทั้งนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าอะไรไปนั่งจุมพุกอยู่งั้นนี่มิดหรอกแต่ละสำนักพุทธเจ้าก็นั่งไม่เหมือนกันอีกนะบางสำนักก็นั่งขัดสมาธิบางสำนั ก, กนั่งเก้าอี้รนะู้สึกหลากหลายถ้ายังมีรูปมีนามอยู่ยังมีทุกข์อยู่ไม่ใช่นิพพานนะ น่พพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหาในสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์เก่งๆยังมีเยอะแต่คนภาวนาเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเลยมายุคนี้ครูบาอาจารย์แทบไม่มีเลยที่มีท่านสิ้นไปหมดละที่ยังเหลืออยู่ก็แก่ ง, ง่อมสอนไม่ค่อยจะไหวละที่สอนได้ก็เพี้ยนๆอย่างเงี้ยก็เยอะนะแต่พวกเราตอนนี้ภาวนาเป็นเนี่ยเยอะมากเลย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยเรื่องเด็กมากเลยทุกวันนี้ถ้าลำพังแค่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานถือว่าใช้ไม่ได้แล้วล้าหลังละนะเดีนี้แยกขันกันได้เกลื่อนไปหมดนะแยกธาตุแยกขันได้ที่จริงแยกขันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หร อ, อกปกติเวลาที่จิตเราเป็นกูสนธรรมดาธรรมดานี่แหละเวลาที่ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัตินะขันมันแยกอยู่แล้วนะ ขันมันเป็นขันมันถึงชื่อว่าขันขันแปลว่าส่วนส่วนเป็นขันคือเป็นส่วนส่วนขันมันเป็นขันอยู่แล้วนี่พอเราคิดถึงการปฏิบัติขึ้นมาเราก็ไปรวบเอาขันเข้ามาหรือเวลาที่กิเลสมันแดงขึ้นมาเราไปรวบเอาขันขึ้นมาว่าเป็นกูเป็นกูขึ้นมาเวลานักปฏิบัติจะปฏิบัติันก็ไปรวบเอาขันขึ้นมาเนี่ยมีอยู่สองยมพวกนะพวกดีกับพวกเลวเป็นพวกไปรวบเอาขันขึ้นมาพวกที่ไม่ได้ทำอะไรนัขันมันแยกอยู่แล้ว นี่ภาวนามไปแทบตายวันหนึ่งไปเห็นให้ขันมันแยกได้หน้าตื่นเต้นที่จริงมันแยกมาตั้งแต่เกิดแหละมันถึงชื่อว่าขันขันแปลว่าส่วนมันเป็นส่วนส่วนมันแยกได้รู้สภาวะอย่างที่เป็นนะหัดรู้ไปแต่แรกๆมันอดแทรกแซงไม่ได้มันให้ไปรวบมานะก็รู้ว่าไปรวบมารู้แล้วก็ปล่อยซะค่อยๆหัดคลายออกทําใจสบายๆที่ไปรวบมาเพราะโลภ อยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ถ้ารู้ทันใจที่โลภมันก็จะคลายใจมันคลายออกเราก็จะรู้สภาวะรูปนามสแสดงใจลักไปเรียนะกว่าเดินปัญญาได้ทำวิปัสสนานะงั้นไปทำนะจะทำได้เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ